ท่านจะมองเห็นที่ว่าท่านอาจารย์ท่านนี้ต้องการให้เรารู้อย่างนี้ต้องการให้รู้อย่างนี้นะครับสำหรับท่านอาจารย์สมบัติเนี่ยผมผมอยากชี้เห็นอย่างหนึ่งนะครับที่ที่มีจุดเด่นที่อยากจะให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัตินี่นะครับคือนอกจาก เป็นพระธรรมจากคำพีแท้โดยเคร่งครัดแล้วนี่นะครับท่านยังเน้นให้เราในเรื่องการตรึกการตรองการพิจารณาธรรมานีลรู้สึกว่าจะเป็นความสำคัญของท่านที่ท่านเห็นความสำคัญนะครับแล้วถ้าเรายังไม่ตรึกตรองตามนะฮะเราก็อาจจะไม่เข้าใจในคำที่ท่านที่ท่านบรรยายนะฮะ ผมลองตึกลองตรองดูนะครับก็ปรากฏว่าก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นนะตอนนี้การที่จะตึกจะตรองก็ไม่ง่ายนะักเพราะว่าต้องมีข้อมูลคือการจดการจําพอสมควรทีเดียวถ้าเราไม่มีข้อมูลนะเราก็จะตึกไม่ค่อยออกนะตึกเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆเช่นตัวอย่างวันนี้คือก่อนจะมานี่ผมมักจะเดินสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อออกกําลังกาย เมื่อเดินไปนั้นเนี่ยผมก็ต้องตึกตรองตามที่ท่านแนะนำนะตอนนี้ก็เมื่อผมเดินไปนะครับแล้วก็เห็นถนนอะ่ะก็เห็นถนนลาดยางอย่างเงี้ยครับไปอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นถนนเนี่ยเราจะตรึกยังไงอ่ะเราจะตรองยังไงจิตจึงจะไม่เป็นอกุศลอะ่ะเพราะปกติถ้าเราไม่โยนิโสมนสิการนะ จิตมันหนีไม่พ้นครับเพราะเราชินกับอะโยนิโสมนัสิการเราชินมานานครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝึกก็ได้ครับอะโยนิโสมนสิกานนี่ไม่ต้องฝึกมันจะต้องลงไปทางอากุศลแน่นอนอัตโนมัติครับแต่ถ้าเห็นถนนแล้วเนี่ยจิตโยนิโสมนัสิการอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเราไม่จำพระสูตรเลยไม่ได้เลยหมายยากแต่ถ้าจำพระสูตรใดพระสูตรหนึ่ง ได้บ้างเกี่ยวกับพื้นเออยังมีเข้าบ้างนะครับอสําหรับผมนั้นก็นึกถึงสูตรที่บอกว่าแผ่นดินเนี่ยไม่ละอาเลยที่จะมีใครจะเอาอะไรไปไปโยนไปใส่มันด้วยสิ่งที่เป็นปฏิกูลหรือสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลแผ่นดินเขาก็ไม่รู้สึกละอิยดละอาเลยเนี่ยนะครับนี่ก็อยู่ในอยู่ในออยู่ในมิลินทปัญหานะฮะหรืออยู่ในสูตรไหนผมไม่ทราบนะฮะ อ๋อที่พระองค์สอนพระราหุลนะครับแล้วเราลองตรึกตามนั้นดูนะครับถ้าผู้ใดสามารถที่จะท่องสูตรนี้ได้หรือว่าจำเข้าโครงได้ก็ตรึกได้นะครับแล้วก็นามานำมาตึกว่าแล้วเราอะแล้วเราเนี่ยนะฮะเราทนต่อไอ้สิ่งอย่างนั้นได้หรือไม่นี่นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะฮะจิตเป็นมหากรุศ่ไปได้นะเป็นโยนิโสมนัสิการ ตอนนี้พอเดินเดินไปนี่นะครับก็ไปเจอแถวมดดำพาดผ่านหน้าเลยเอต้องกลับไปถามพระอาจารย์หน่อยที่ว่าจะโยนโนิสโอมนสิการยังไงไปเจอสัตว์เดรัจฉานเป็นมดเต็มเลยนะเดินผ่านเป็นเท่าเลยนะแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับคิดถึงกรรมสกตาปัญญาก็พอที่จะก้มแกล้มไม่เป็นสูตรไม่เป็นอะไรเนาะ พอที่จะกล่อมแกล้มไปได้นะแล้วพอเดินไปอีกสักพักหนึ่งก็ไปเห็นดอกอ่าส้อยไก่ทางเหนือเขาเรียกดอกได้นะงอนไก่เป็นส้อยไก่นะฮะงอนไก่นะเขาเรียกดอกได้นะทางเหนือนี่นะฮะก็เป็นดอกได้ป่านะขึ้นแต่เขาขึ้นสวยเขาขึ้นเสมอเสมอกันสวยแล้วก็ไปเห็นดอก อันนี้ครับดอกอะไรกันไม่รู้ว่าโอ้โหเวลาเขาถูกแสงอาทิตย์นะเขาเขาไหวนะสวยมากเลยนะเป็นเงาวานวนะอยู่นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลมพัดเขาจะไหวหมาดูแล้วรู้สึกว่าออืชื่นชมกับธรรมชาติสมัยก่อนนี่ก็บอกหมานี่เข้าถึงธรรมชาติแล้วเกินนะแต่หารู้ไม่เข้าถึงอโยนิโสมนัสิการเข้าถึงวัตฏะเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ก็มาตรึกดูว่าถ้าเราเห็นสิ่งนี้เนี่ยนะฮะ แล้วเราจะโยนิโสมนสิการอย่างไรนก็นึกถึงเช้าวันหนึ่งที่ไปหาท่านอาจารย์ที่นู่นนะครับที่บ้านภูการท่านนั้นนะท่านก็บอกว่าอ า, อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดนั้นไม่ว่าจะเป็นปฏิฆะหรือเป็นสุภนิมิตนั้นเนี่ยสามารถทำให้จิตเกิดได้2ี่สิบประเภทเนยี่สิบประเภท2นี่่สิประเภทได้แก่ ส2บองบวกแพอพูดเท่านี้พวกเราคงจะทราบแล้วเนาะนะนะเพราะว่านักอภิธรรมใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมก็คือโลภแปโทสะสองโมหสองเป็นสิบสองแล้วก็ข่ายกุศลก็เป็นมหากุศลแปดรวมเป็นยี่สิบิของเรานี้นะเห็นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสามารถเป็นได้ไม่พ้นยี่สิบอันนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นลงที่สิบสองนะ ส่วนน้อยไปลงที่แปดผมก็นำเรื่องนี้มาตริกดูว่าเอ๊ะเราเห็นดอกได้กับเห็นดอกไอ้นี่นะครับอืมทำยังไรเนี่ยจึงจะจิตไม่เป็นอกุศลนะครับก็มาสงเคราะห์ลงว่าถ้าหากว่าเป็นบุญญกรกียาวัตถุนี่เออจะจะจะได้ยังไงบ้างนะครับถ้าเห็นดอกได้นี้แล้วเราสงเคราะห์เรา สงฆ์รงในบุญญกริยววัตุในเรื่องทานอืพอได้นะเพื่อพิสูจน์ความจริงผมก็เลยเด็ดมาด้วยเลยน ะ, ะทำบุญว่าเออนี่นะนี่เป็นได้จริงๆนะถ้าไม่ตึกอย่างนี้แน่นอนคงจะถูกโลภะพาไปนําเกิดอีกแล้วนะครับนี่นี่ตัวอย่างนะครับคือตัวอย่างว่าการตรึกนี่นะครับ มันเป็นการพัฒนานะเราพูดให้มันโก้หน่อยนะมันเป็นการพัฒนาด้านด้านด้านจิตนะให้เป็นกุศลามากขึ้นรู้จักสแสวงห า, าหนทางที่จะเป็นอุบายให้จิตเป็นกุศลนะครับท่านบอกว่ากุศลและจิตเนี่ยนะครับหรืออกุศลและจิตเนี่นะครั บ, รออลลรบเพียงมองเห็นแว บ, บเดียวเนี่ยนะครับมันต้องเกิดที่ใจก่อนใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเป็นอกุศลเนี่ยนะ เห็นของอย่างเดียวนี่นะครับเป็นโลภะไปแล้วถ้ากล่าวชมเชยว่าจีทุจริตไปแล้วถ้าเอามือไปจับต้องเป็นกายะทุจริตไปแล้วตกลงสุดจริตสามหาไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเป็นกุศลนี่นะครับก็พอจิตโยนิสวงมรรสการจิตก็เป็นกุศลแล้วครับพอจิตเป็นกุศลนี่อะไรนะครับไอ้เด็ดออกมานห น, น่ะมือไม้เข้าไปเด็ดอะไรมันนี่นะเป็นกุศลในหมดทางกายทางวานไปได้เลย กายสุจริตได้เลยแล้วก็นํามาถวายนี่ก็เป็นเป็นกายสุจริตวจีสุจริตได้เลยนะเป็นสุจริตสามได้เลยนี่เป็นตัวอย่างาในกุณทริยสูตรนะครับถ้าท่านไปอ่านดูนะฮะในกุณทริยสูตรเนี่ยมีความไพเราะ ม, มากแล้วก็ในกุณทริยสูตรนี่นะครับจะแสดงให้เราเห็นว่ า, าเราจะมีสุจริตสามได้อย่างไรถามว่าทําไมจะต้องมีสุจริตสาม ก็เพราะว่าสุจริตสามนั้นเป็นปัใจจัยให้เราเจริญสติปัฏฐานสี่ได้ได้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่เจริญแล้วก็ไปถึงโพุทธชงเกตพุทชงเกตแล้วก็ต่อไปก็นู่นแะครับนะครั บ, นะรบก็วิชา ว, ว, วิวิชาวิมุตตินนะ่ะไปนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยลงมาฟื้นพื้นฐานเก่าๆก่อนยังไม่ค่อยอยากจะไป เรื่องสูงๆนักนะฮะลงมาว่าตัวเองมีสุจริตสามหรื อ, อยังมาสำรวจดูไม่ค่อยมีนะครับเพราะนั้นจริงต้องทำให้มีนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะกล่าวนำในที่นี้นะครับท่านผูดด้ใดจะมีอะไรไหมครับคุณเกษรหัวลราะคึกๆมีอะไรครับอ่าดอกจันกระพาอนี่นครับ เราก็ได้ยินดอกจันทกระพาะล่วงพลูมานานเพราะเ พ, ะเพลงดอกจันทกระพ่อล่วงพลูนี่เป็นเพลงที่เป็นเพลงโบราณที่มีความไพเราะมากนะฮะแล้วก็เราถูกอารมณ์นี้เนี่ยนะพาเข้าไปนำเกือไปหลายหนแล้วคือเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเห็นโทษของการรับอารมณ์ทลายหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะ เราจะเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะมีโทษอะไรเห็นดอกไม้ใบหญ้าเห็นอะไรเนี่ยไม่น่าจะมีโทษมากนะแต่รู้ไหมว่า อ, อารมณ์อันนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เห็นแล้วนะเหมือนกับผู้การไปเห็นดอกหญ้าก็เอามาชมเชยดอกหญ้านะเห็นถนนเห็นหมดก็เอามากล่าวถึงจริงอยู่ว่าในขณะเห็นตอนนั้นอาจจะไม่ได้ทํากรรมอะไรแต่หลังจากการเห็นไปแล้วเนี่ย อารมณ์อันนั้นเนี่ยก็ยังมาเป็นอารมณนะปัจจัยของมโนกรรม น, นนะตรึกถึงบ่อยๆในสิ่งที่เราไปเห็นไปได้ยินไปต้นมาแล้วก็ล่วงมาเป็นวจีกรรมโดยการบอกเล่าน่ น, นะแสดงกิริยาอาการท่าทางเป็นต้นก็เป็นกายกรรมซึ่งตอนที่เราเห็นแต่ละอารมณ์ตอนนั้นๆเนี่ยนะเฉพาะหน้าดูเหมือนกับไม่มีผลอะไรมากนะยกตัวอย่างเห็นกระดาษ เห็นใบม้เห็นอะไรสักอันหนึ่งดูไม่น่าจะมีผลนะไม่จําเป็นจะต้องไปตรึกไม่จําเป็นจะต้องไปเพ่งอะไรให้มันมากมายนักไม่ต้องไปลึกซึ่งอะไรแต่หารู้ไม่ว่าอารมณ์อันนั้นที่เราได้รับรู้แล้วเนี่ยนะวันหลังเราจะมาพร่ำพูดถึงอารมณ์นั้นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรเนี่ยนะอารมณ์นั้นเป็นอารมณะปัจจัยให้กายะทุจริตของเราเป็นอารมณะปัจจัยให้แกวจีทุจริตและก็มโนทุจริต เันทุจริตค่อนข้างจะมากเมื่อไปเกี่ยวข้องกับแต่ละอารมณ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกตรึกถึงพระธรรมคําสอนให้มากๆเมื่อไปเกี่ยวข้องกับแต่ละอารมณ์พอพูดถึงตึกตรึกนี้อ่าวันนี้ดูโคปาละกสูตรมา <c oughs> โคลบาลนะะโคลบาลเนี่นะล เ, เลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงงวัวเข้างั้นทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเอเราเนี่เลี้ยงวัวบ่อยเด็กๆเกนี่ย แจะตอนวัวมีวัวตัวโค่เราจะต้องไปต้อนเลี้ยงทางโน้นเนี่ยนะจะมีวัวบ้านโน้นเนี่ยต้อนมาฉันเราต้องเอาวัวเราไปชนให้ชนะให้ได้ะวัวเราต้องครองความเป็นหนึ่งในอนณาบริเวณนี้มั้งเราก็ต้อนวัวไปเลี้ยงวัวเหมือนกันเลี้ยงวัวอยู่หลายปีตอนหลังก็มาอ่านอโคปาและกระสูตรนี่ก็มีความลึกซึ้งเขาวัาไก็เลยอยากจะเอามาอ่านให้เราทั้งหลายได้ฟังกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงวัวเหมือนกัน ข้อความในโคปาละกะสูตรนะมหาโคปาละกาสูตรมหาโคบานกันที่จริงคําว่ามหาโคปาละกาสูตรนี่เป็นชื่อว่าสูตรว่าด้วยการเลี้ยงวัวเป็นสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณเชตวันนารามอารามของท่านอนาถบินทิกะเครือหาบดีกรุงสาวทีครั้งนั้นพระองค์ได้แต่เรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นได้โทนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญฝังสูตรนี้แล้วไปเห็นคนเลี้ยงวัวนะเราก็เอาสูตรนี้ไปตรึกตามด้วยนะไม่งั้นเห็นคนเลี้ยงวัวแล้วเอ๊ะไม่ได้กเกิดกุศลกิจอะไรเลยเนี่ยนะหรือคิดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนเด็กเลี้ยงวัวหรือเปล่านะไม่ใช่อย่างนั้นนะพอเราเห็นคนเลี้ยงวัวปั๊บศึกษาพระธรรมมาแล้วก็ได้เอาสูตรนี้นีะ่เออจะได้เอาไปตรึกตามนั้นได้ พระองค์ได้ตรัสธรรมะปริยายนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการไม่ควรจะรักษาหมู่โคและทำหมู่คให้เจริญได้นคือคุณสมบัติไม่พอที่จะเลี้ยงโควางนันเถอะแล้วก็โคที่เขาเลี้ยงก็ไม่มีความเจริญแน่นอน อ, องค์11ประการ น, นั้นเป็นไงนะนายโคบานในโลกนี้หนึ่ง เป็นผู้ไม่รู้จักรูปนะนขอแรกเลยไม่รู้จักรูปก็คือไม่รู้จักนับวัวนั่นเองไม่รู้ว่าวัวตัวเองเนี่ยมีเท่าไหร่นี่นะอวัวนี่มี10 20 30 40ี่หรือ50ตัวอย่างเงี้ยนะเรียกว่าหนึ่งไม่รู้จักรูปก็คือไม่รู้ว่าวัวตัวเองเนี่ยมีเท่าไหร่ข้อ2ก็คือไม่ฉลาดในลักษณะของวัวแต่ละตัววัวตัวนี้มีลักษณะอย่างนี้นะวัวตัวนี้วัวดำวัวด่างวัวขาววัวแดง วัว น, นีมีลายพาดผ้านะมันก็ต้องไปสังเกตลักษณะของวัวแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วก็สามเป็นผู้ไม่เคลียร์ไขรค้างออกเสียไม่เคลียร์ไ ข, ข่ค้างก็คือวัวเนี่ยนะเวลามันไปชนกันไปอะไรกันมันจะถูกขิดถูกขิดแล้วมันจะมีแผลอ่าเนื้อมีแผลเนี่ยพวกมแมลงวันหัวเขียวเป็นต้นก็จะมาไข่ใส่เนี่ยนะ แล้ถ้าไม่เคลียถ้าไม่เคลียออกวันหลังไอ้ตัวนั้นจะเป็นตัวหนอนเข้าไปนะเข้าไปชอนชายแบบเป็นๆ น, นี่แหละก็เหมือนกับที่ที่คุณบุญชูเล่าอ่ะมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนเนี่ยมนุษย์เป็นๆ เ, เนี่ยนอนมันเข้าไปอ่ะมันไตกระลึกกระลึกกระลึกกระลึกอยู่ในนั้นเลยเวลาจะเคลียมันออกมานะมันมุดเข้าไปข้างในเขาอ่ะคนเป็นๆ น, น, นี่แหละเสร็จแล้วแกก็บอกเอายาสูบเนี่ยนะใส่ไปโหมันมันเหม็นมันห น, นีออกมาหมดเลยเข้ามาอ่ะ คนเป็นๆ เ, เนี่ยนะน อ, นอนยังชรชายอะ่ะคืเห็นว่าอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าเราปล่อยให้ใครค้างเนี่ยมันตอมใส่แผลมากๆเดี๋ยวก็ฟ่อนเฟะอยู่ในนั่นแหละในว่าหลังว่นนอนเนี่ยเวลาเดินตามเนี่ยเม้นเนี่ยอยบอกใครเลยเป็นๆ เ, เนี่ยนะเน่าหนักกฟีอีกกว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นผู้ไม่ไม่ปิดแผลเป็นผู้ไม่สุมควนแล้วก็ไม่รู้จักท่าไม่รู้จักนะ ไม่รู้จักให้น้ำดื่มไม่รู้จักทางเป็นผู้ไม่ฉลาดในตำบลที่โคเที่ยวหากินเป็นผู้รีดน้ำนมเสียหมดไม่มีส่วนเหลือไว้เป็นผู้ไม่ปรนปรือเหล่าโคอุสุภะนะนะ ค, ค, คือโคจ่าฟูง อ, อันเป็นพ่อฟูงอันเป็นผู้นำฟูงด้วยการปรนปรือเป็นพิเศษนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้แล้วย่อมไม่ควรจะรักษาหมโคให้เจริญได้ ถ้าเป็นคนเลี้ยงวัวสมัยก่อนเนี่ยฟังออกเลยนะสูตรแบบนี้ไม่ต้องอธิบายมากแต่ว่ามีพระธรรมหน้าอธิบายเพื่อที่จะได้เข้าใจข้อเปรียบเทียบเนี่ยนะว่าอย่างคําว่าไม่รู้จักรูปเนี่ยก็คือไม่รู้จักการนับนะหรือว่าไม่รู้โดยการว่าสีวัวตัวเองเนี่ยเป็นยังไงโคของเราเนี่ยเป็นยังไงชื่อว่าไม่รู้จักการนับก็คือไม่รู้จักนับโคของตนว่าร้อยหนึ่งหรือโค ทนะ่าอินเดียเนี่ยโคเขาเยอะเนี่ยนะนายโคบานนั้นเมื่อแม่โคถูกฆ่าหรือนี้ไปนับฝูงโคแล้วทราบว่าวันนี้แม่โครประมาณเท่านี้หายไปดังนี้เที่ยวไปตลอดสองสามละแวกบ้านหรือดงย่อมไม่สแสวงหาเมื่อแม่โคของคนอื่นเข้ามายังฝูงของตนนับจํานวนแล้วทราบว่าโคเหล่านี้ประมาณเท่านี้ไม่ใช่ของเราไม่เอาไม้ตัพดตีออกไป แม่โคของเขาที่หายไปก็จะเป็นอันหายเขาต้นแม่โคของคนอื่นเที่ยวไปเพื่อเจ้าของโคเห็นแล้วก็คุกเขา่ามานายโคบาล น, นิรีดน้นํานมแม่โคของพวกเราตลอดการประมาณเท่านี้พาเอาแม่โคของตนไปแม้ฝูงโคของเขาย่อมเสื่อมไปเขาย่อมห่างไกลาจากการบริโภคปัญจ่าโครดใช่เมื่อไม่รู้จักวัวของตัวเองว่าเอ๊วัวของตัวมีเท่าไหร่ใช่ไหมวัวมันหายไปตั้งนานแล้ว พอดีวัวคนอื่นมาเข้าฝูงด้วยก็เนึกว่าวัวตัวเองเนี่ยนะตอนเข้าบ้านฉิบเนละวันหลังอ้าวนี่ไปตอนเอาวัวฉั้นมานี่นะบางทีดีไม่ดีข่าว่าเป็นโจรเลยนะว่าเอ๊นี่รักวัวรักควายกันนี่อันนี้ข้อแรกเลยที่ว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเลี้ยงเลี้ยงวัวได้ส่วนนายโคบาลไม่รู้โดยสีก็คือไม่รู้ว่าโคสีขาวมีประมาณเท่านี้สีแดงมีประมาณเท่านี้สีดํามีประมาณเท่านี้ สีด่างมีประมาณเท่านี้สีเขียวประมาณเท่านี้นายโคบานเมื่อแม่โคถูกฆ่าหรือหนีไปเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ว่าโคของตัวเนี่ยไปอย่างไรไปอย่างไรก็เลยบางทีเนี่ยนะบางสูตรก็บอกว่าเขาบอกว่าคนเลี้ยงวัวถ้าไม่รู้จักวัวก็เหมือนพระภิกษุที่บวชมาแล้วไม่รู้จักศีลบางทีกค็คล้ายๆกันนั่นแหละเขาบอกงั้นมันเลี้ยงไม่ถูกลอกรักษาไม่ถูกหลอกวัวอันนั้นอุปมาอีกในหนึ่งนะอันนี้ต่างหา ข้อสอบอกว่าไม่รู้จักลักษณะเนี่ยนะก็คือไม่รู้เครื่องหมายต่างกันมีธนูห อ, อกเหลาเป็นต้นสมัยใหม่เนี่ ย, ยไปเห็นวัวตอนหลังเขามีสติ๊กเกอร์ให้อันหนึ่งเขาเจาะที่หูนะเขามีเหมือนกับป้ายแขวนคอแต่แขวนหูแทนมีป้ายนะสมัยนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแล้วข้อ3ก็บอกว่าเป็นผู้ไม่เขียใครขางก็เหมือนกับที่บายไปแล้วข้อส่วนข้อ4ก็คือ ไม่ปิดแผลท่านอธิบายว่าความว่าแผลที่เกิดแล้วแต่โคนะโดยในที่กล่าวแล้วเพิ่งเอาปอหรือป่านพันปิดไว้นายโคบานโง่าหาทาอย่างนั้นไม่เมื่อโคเป็นแผลก็ไม่ทําแผลไปให้เนี่ยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นน้องย่อมไหลออกจากแผลของโคของเขาโคเสียดสีกันและกันเพราะการเสียดสีนั้นแผลเกิดแก่โคแม้เราอื่นโค ผูกความเจ็บไข้ครอบงำอย่างนี้แล้วไม่สามารถจะเคี้ยวกินหญ้าเนีย่ยนะตามต้องการได้ตอนหลังเขาก็เสียผลประโยชน์จากโคตัวนั้นแล้วเชื้ออันนี้ก็จะระบาดไปหาวัวตัวอื่นๆด้วยส่วนข้อต่อไปเ็าบอกว่าข้อห้าเนี่ยนะไม่รู้จักสมควันก็คือในฤดูฝนเป็นต้นเนี่ยนะเหลือบยุงมันเยอะอะพอหลวบยุงมันเยอะถ้าไม่รู้จักสมควันไล่ยุงให้ ให้วัวเป็นต้นเนี่ยวัวก็ถูกเหลือบจุงกัดคืนยันรุ่งเช้ามาก็ไม่สามารถจะกินหญ้าได้ใช่ไหมพรอมอันนี้เขาก็เสียผลประโยชน์แล้วนะให้คนแบบนี้มาเลี้ยงวัวให้เนี่ยรับรองเลยนะเจ้าของวัวนี้ไกลแล้วละ่ะใกลากลล่มจมแล้วว่า ง, งั้นเถอะแล้วต่อไปก็บอกว่าไม่รู้จักท่าคือไม่รู้จักท่าวารีบหรือไม่เรียบเป็นท่าที่มี สัตว์ร้ายหรือไม่มีสัตว์ร้ายถ้าเดินไปตรงนั้นนี่หินเยอะๆเนี่ยวัวลงไปเหยียบเท้าของวัวเป็นต้นก็จะเสียหายอันนี้ถ้าไม่รู้จักก็นำความเสียหายให้แม่แก่เจ้าของวัวข้อที่เจ็ก็คือไม่รู้จักให้โคเนี่ยดื่มก็คือว่าไม่รู้ว่าโคตัวเท่านี้เนี่ยดื่มน้าหรือยังพวกนั้นไม่ได้ดื่มะนะพวกนั้นดื่มอิ่มไหมเป็นต้นเนี่ยนะเราต้องพยายามสังเกตมางั้น อ่าถ้าคนที่ชํานาญในการเลี้ยงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าวัวนี่กินน้ําอิ่มหรือไม่อิ่มนี่เขาก็พอมองออกละส่วนข้อต่อไปก็คือว่าไม่รู้จักทางเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าทางนี้เรียบปลอดภยัยหรือทางไม่ปลอดภยัยถ้าเป็นวัวสมัยก่อนเนี่ยถ้าต้อนไปเลี้ยงอ่าซึ่งสมัยที่มีเสือมีช้างมีอะไรเยอะๆเนี่ยถ้าต้อนไปผิดแหล่งเนี่ยพวกเสือเป็นต้นก็จะมาคาบวัวเหล่านั้นเอาไปกินส่วนข้อต่อไปก็คือข้อ9เนี่ยบอกว่า นายโคบานไม่ฉลาดที่ที่โคหากินเนี่ยนะบางทีต้นไปเลี้ยงที่เดียวสักเป็นอาทิตย์แล้วญ้ามันหมดไปตั้งนานแล้วก็ต้นไปตรงนั้นแหละต้อนไปตรงนั้นอีกแหละถ้าอย่างนี้ก็วัวก็จะเสียหายเหมือนกันนะก็ต้องรู้จักสถานที่ที่ให้หญ้าแก่วัวได้นี่พูดถึงสมัยแผ่นดินที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะสมัยนี้ไปต้นเรราดไม่ได้นะ <c oughs> นก็ปรับเอาส่วนข้อต่อไปก็บอกว่า รีดนมโดยไม่เหลือนะก็คือพอพอเป็นได้แม่โคโนมแม่โคโนมแล้วก็รีดนมเนี่ยไม่ให้เหลือไม่เหลือให้ถึงลูกของของเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลารีดนมหมดใะลูกโคก็ไม่ได้กินน้านมก็จะอิดโรยหิวกระหายน้ำนมไม่สามารถดำรงตนอยู่ได้ก็ตายต่อหน้าแม่มันนะนะั่นแหละทีนี้ลูกแม่แม่โคเนี่ยเห็นลูกน้อย ไม่ได้กินน้ำนมของตนก็ไม่สามารถจะเคี้ยวกินหญ้าได้สงสารลูกใช่ไหมแม่โคก็ผ่ายพร้อมตามไปด้วยตอนหลังก็ถึงกับตายไปอันนี้ก็เสียหายอีกอย่างหนึ่งส่วนข้อสุดท้ายก็บอกว่าไม่บำรุงเลี้ยงดูโคจ่าฝูงว่า ง, งั้นโคอุสุภะโคหัวหน้าฝูงซึ่งเป็นหัวหน้าถ้าโกตัวนี้ไปที่ไหนนะพวกอื่นจะตามกันไปหมดเลยนะ ตัวเองไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะขอให้ได้ตามหัวหน้าไปก่อนอฟูงสัตว์จะเป็นลักษณะนั้นนะติดตามหัวหน้ามากช้างก็เหมือนกันก็จะติดตามหัวหน้าคลองวัวก็จะติดตามโคจ่าฟูงเป็นต้นพวกควายพวกอะไรเป็นต้นก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นฟูงเป็นฟูงติดตามกันไปหัวหน้าไปถ้าหัวหน้าฉลาดก็พาลูกน้องไปพออยู่พอกินได้ถ้าหัวหน้าไม่ฉลาดก็พาไปตายเรียบหมดพวกเนื้อพวกกวางเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันทีนี้โคที่เป็นหัวหน้าฟูงเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าหากว่าเจ้าของวัวเนี่ยนะไม่ฉลาดก็คือไม่รู้จักปลนปลือไม่รู้จักดูแลเป็นพิเศษนะคือถ้าหัวหน้าเนี่ยควรให้เขาพิเศษคืออาหารอันประเนษตกแต่งด้วยของหอมเจิมผ้าแห่งประดับดอกไม้สวมปลอกทองคำได้เงินให้ที่เขาให้วางันเถอะตามดวงประทีปจุดไฟให้ทั้งคืนเนี่ยเพราะเขาเป็นหัวหน้าพาวัวอย่างอื่นไปเป็นพันๆเนี่ยเพราะฉะนั้นควรที่จะดูแลเขาให้ดีว่างั้น ถ้าหากว่าไม่ปรนปลื้อเขาพิเศษเนี่ยเขาเขาจะไม่มีกระจิตกระจายดูแลฝูง <c oughs> เขามีนะถ้าหากว่าวัวในฝูงหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าโคตัวนั้นไม่ได้ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยนะเวลาไปฝูงอื่นเนี่ยจะมีทางอื่ น, เ, นเข้ามารังแกอย่างเงี้ยพวกนี้จะออกไปป้องกันหมดเลยแต่ว่าเรามีฝูงไปสักสี่ห้าสิบตัวเงี้ยถ้าหากว่าตัวตัวหัวหน้าดีนะวัว ฝ่ายอื่นเนี่ยนะเห็นเห็นตัวนี้ปลาเนี่ยหนีไปหมดละกลัวว่างเ้าวัว น, นี่ชนไม่เหมือนควายนะควายชนกันนานวัว น, นี่ก็แทกกันสามสี่ทีนี่ก็รู้กําลังกันก็ถอยแล้วฝ่ายนั้นจะชนะจะแพ้แต่ถ้าควายเนี่ยโหขิดกันไปจนเกือบตายอะ่ะขนาดแพ้น่้อยังตามเป็ น, เ ป, นเป็นกิโลอะ่ะขนาดตามชนกันะนะแต่ถ้าวัว น, นี่ไม่ถึงขนาดนั้นมันชนวัว น, นี่สนุกกวกชนควายเหมือนไหมเด็กๆอ่ะนะเป็นอย่างนั้นนะ ปรระสบกาณ์ อ, อันนั้นเข้ามืออาชีพมั้งของมาส ม, มัครเล่นเนะจนนนพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็นีท่า น, นาท่า น, นานี้เนี่ยเลี้ยงบัวอย่างเดียวอย่างนั้นทีนี้ภิกษุก็เหมือนกันเนีย่ยนะฝ่ายภิกษุบ้างนะภิกษุก็เหมือนกับคนเลี้ยงบัวนั่นแหละประกอบด้วยองค์11ประการแล้วไม่ควรจะถึงความเจริญ ง, งอกงามไพบูลณ์ในธรรมวินัยนี้ ก็ก็จะเหมือนกับคนเลี้ยง ว, วัวนั่นแหละพิสษุนถ้าหากว่าไม่ฉลาดในธรรมะ11บออย่างเนี่ยหรือไม่มีมีองคุณ11ออย่างนีก็ไม่มีความเจริญอย่างแน่นอนองค์11ประการเป็นไนะคือพิกูจในศาสนานี้เป็นผู้ไม่รู้จักรูปหนึ่งนะเดี๋ยวข้อนี้พวกนี้จะอธิบายทีหลังอีกครั้งนึ่งเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะข้อ2ข้อสไม่เคลียร์ไขข้างออก ข้อสเป็นผู้ไม่ปิดแผลข้อหเป็นผู้ไม่สมควนข้อ6ไม่รู้จักท่าข้อ7ไม่รู้จักให้ดื่มข้อ8ไม่รู้จักหนทางข้อ9เป็นผู้ไม่ฉลาดในโคจรข้อ10เป็นผู้เรดเสียหมดไม่มีส่วนเหลือไว้ข้อ11เป็นผู้ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูมีพรรษาบวชมานาน นะเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยบูชาอนล้นเหลือว่อาไทีนี้ก็กล่าวอธิบายว่าข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นอย่างไรข้อหนึ่งเนี่ยนะไม่รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในศาสนานี้ไม่รู้จักชัดตามความเป็นจริงว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งรูปทั้งปวงคำว่าชนิดใดชนิดหนึ่งคือหมายถึงทั้งหมดนะ คือมหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูปคือรูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่พิสุเป็นผู้ไม่รู้จักรูปอย่างนี้นะก็คือไม่รู้จักรูปและอุปาทายรูปของเรานี่รู้จักไหมมหาภูตรูปมีเท่าไหร่สมีสี่ะอุปาทายรูปมีเท่าไหร่อุปาทายรูปยี่สิบสี่บวกกันเบ็ดเสร็จแล้ยี่บแป ของเรามีกี่รูปของเรายี่เจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดนะอันนก็ยี่สบแปดอ่แย่เลยใครมีรูปยี่สิบแปดเนี่ยลำบากอ่ะนอะยี่สิบหกก็แย่เหมือนกันนะยี่สิบเจ็ดอ่ะกำลังดีเลยอ่าเขาบอกว่ารู้รูปนี้เอาถามมารู้แบบเรารู้นี่พอหรื อ, อยังชื่อว่ารู้จักรูปหรื อ, อยังทำ น, นี่เลยอ่านะเขาบอกว่า นะรูปัญยูโหติกมาว่าย่อมไม่รู้จักรูปที่กล่าวอย่างนี้ว่ามหาภูตรูป4โดยอาการ2ถ้ารู้จักเรื่องมหาภูตรูปจริงๆก็ต้องรู้รู้โดยอาการ2อย่างคือรู้โดยการนับนี่ในยติหน่1นะรู้โดยการนับ2รู้โดยสมุดฐานนะน ะ, ะชื่อว่าไม่รู้จักโดยการนับนที่จริงเรานับได้หมดแล้วนะ แต่ว่าพิกษุรูปเนี่ยพิกษุไม่ฉลาดนี่ก็ไม่รู้จากการนับรูปเหมือนกันก็คือไม่รู้ว่าส่วนแห่งรูป25มาแล้วอย่างนี้ในภาะบาลีในในภาพบาลีรูปประกานนี่มีมา25อย่างนะคือรูปายตนะโสตายตนะคานายตนะเชียวหายตนะและกายายตนะเห็นนะได้ได้ไดก่อนนะคือภาษาทรูปห้า และสีคือรูปเสียงกลิน่นรสโพธาภะโพธาภะนับหนึ่งเลยนะโพธาภะนับหนึ่งไงแล้วก็อิทธินีปุริสินสีชีวิตตินนะีกายกายะวิญยัตวจีวิญญัตอากาศธาตุอาโปธาตุนะละหูตารูป ม, มุทุตารูปกรรมยตาตารูป อุปจัยรูปสันตติรูปชรตารูปอนิจจารูปและกะพลิลงกะราหานเนี่ยนะคือคือท่านนับแบบนี้นับยี่สิบห้าแต่กระจายไปแล้วก็ได้ยี่สิบยี่สิบเจ็ดแต่ที่จริงในพระบาลีรูปประกันนี้หัยารูปไม่มีนะไม่แสดงไว้นี่ก็ถามเหตุผลว่าทำไมหัยารูปไม่แสดงไว้ในรูปประกันคำตอบคือ ไม่รู้ค่ะนะอาจารย์ก็บอกผมก็งงเหมือนกันครับว่าทําไมไม่มีก็ไม่รู้บอกผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับอาจารย์นะเ <c oughs> นี่ยนะมหาธยาลูปนี้ไม่มีในพระบาลีแต่ว่ามีในวิสุทธิมัตในอัตถกะามีแต่ว่าในพระบาลีพุทธพจน์เนี่ยไม่มีมหาธยะเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งในปฐนมีไนมอมจารย์ติ้ง ก็ได้ยินป่ะก็อบอกว่ามโนวิญญาณมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเกิดขึ้นกล่าวลักษณะนี้เฉยๆไม่ได้บอกว่ามันคือหัตยะแบบแบบตรงๆไปเลยอ่าแค่ว่าอาศัยวัตถุดใดเกิดขึ้นก็จะใช้แค่นี้แหละอ่าเซนพอจะแสดงไม่ไม่บอกเลยไปหาเลยในอ่านิเทศเนี่ยนะมันมีอุเทศจะมาเหตุปัจโยรามาณนะปัจโยและนิเทศ เหตุตัวเตสัมปยุตกาณังธรรมานังและปัญนายปัญหาวิภปัญหาวาระวิพังกุสโลธรมโมกุสละสะธรรมะสะเป็นต้นเนี่ยนะไปหาเลยไม่มีคําว่าหัตถะในพระบาลีเลยนะหัตถะในพระบาลีไม่มีแต่แต่ว่าวิสุทธิมรรคท่านอธิบายไว้ตามรยะอัตกถาอธิบายหัตถะรูปไว้ <c oughs> แล้วก็ในอัตกรถาดีกาเนี่ยมีอธิบายไว้แต่ในตัวพระบาลีจริงๆนี่ก็ ในอภิธรรมปัจฐานก็ไม่ไม่พบมันนะหรือใครหาพบก็ช่วยกรุณายนะช่วยบอกเลยนะรู้จักเช่อแล้วน ะ, ะสบายแล้วทีนี้ต่อไปนะว่าภิษูุน์นี้เปรียบเหมือนนายโคบานนั้นเมื่อไม่รู้จักรูปแห่งโคทั้งหลายโดยการนับฉะนั้นเธอเมื่อไม่รู้จักรูปโดยการนับก็ไม่สามารถเพื่อจะกำหนดรูปยึดถือรูป ถ้าหากว่าไม่รู้จักรูปโดยการนับแล้วจะไปกําหนดรูปอย่างไรใช่ไหมในรูปทั้งหมดที่ว่าดาปเนี่ยนะเล็บของเรามีกี่รูปต้องสงเคราะห์ได้นะว่ารูปอะไรเป็นรูปอะไรผมของเรามีกี่รูปขนมีกี่รูปฟันมีกี่รูปหนังมีกี่รูปเนื้อมีกี่รูปเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยในนั้นน่ยมีทั้งหมดรูปเหล่านี้กี่รูปต้องฉลาดแบบนั้นนะไม่ใช่ว่านับยี่ปดได้คล่องแล้วสบายไม่ใช่แค่นั้นนะ คือแค่นั้นยังไม่พอไอที่จําได้คล่องเนี่ยเจ๋อละแต่ก็ต้องมันมาฝึกสงเคราะห์ว่าผมมีกี่รูปเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกเนี่ยนะว่างๆแต่ละส่วนเอาผมมาเส้นหนึง่งมีกี่รูปนะต้องมานั่งอันนี้เบื้องต้นนะความรู้ก็ไกลที่สุดเลยเพราะจะต้องผู้ที่อบรมความรู้อันนี้มองเห็นแล้วมองเห็นนี่คําสอนเนี่ยใส่อยู่ในนั้นมีความเข้าใจายอย่างปลุกปร่งหมดเลยเอางี้นะ เหมือนกับคนอ่านหนังสือออกเนี่ยไม่ไมเนี่ยนะบอกว่าอักษรภาษาไทยมีกี่ตัวเนีเมื่อก่อนบอก44ตัวใช่ไหมตัวเลขอีกต่างหากนะงั้นอักษรเนี่ยเยอะ น, นะสระอัศระอัศรีสระอีสระอือสระอืะ อ, อ, อ, อเป็นต้นก็เยอะเอ๊ะทำไมอ่านเห็น<ม>อ่านและอ่านได้เลยทําไมจึงอ่านได้เพราะฝึกจนชํานาญอ่าผู้ที่ศึกษาเรื่องรูปก็เหมือนการท่ามันสง่งเคราะห์รูปต่างๆเหล่านี้ลงผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะ มองเห็นปั๊บเนี่ยเข้าใจทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมันชํานาญเหมือนกับอ่านหนังสืออย่างอ่านหนังสืออย่างอย่างตอนหลังๆมาเนี่ยสังเกตดูเวลาเราไต่ข้างทางเลยนะแวบเดียวนี่เราอ่านออกหมดเลยใช่ไหมป้ายเนี่ยนะตัวหนังสือทั้งเยอะยะเนี่ยนะแวบๆๆอ่านหนังสือนั้นออกได้หมดเลยทําไมเราเก่งขนาดนั้นใช่ไหมความรู้นี้เราไม่ฝึกอ่าน อ, อ, อาจารย์บางท่านท่านบอกว่าเราน่าจะฝึกอ่านเหมือนหนังสือพิมพ์เข้ามาเงินนะ ค, คือเอาความรู้อันนี้ที่เราเรียนมาเนี่ยนะสง่งเคราะห์ลงว่าอันนี้มีกี่รูปมีกี่รูปมีกี่รูปเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มาฝึกจนชํานาญฝึกจนชนานาญไปมันก็เหมือนกับอ่านหนังสือเนี่ยแหละเห็นอะไรก็อ่านได้หมดแหละเนี่ยนะมีความเข้าใจในเรื่องนั้นเตนทีเลยแต่ถ้าเราฝึกอ่านน้อยเนี่ยนะว่าสีอันนี้เนี่ยมีรูปกี่รูปในนี้ทําไมสีอันนี้จึงสดทําไมจึงไม่สดเราเคยคิดไหมยังมากก็บอกโอ้อตู้ชรูปพอแล้วเลิกละใช่ไหม แล้วก็ต้องมันตรึกมหาภูตรูปทําไมเตโชธาตจึงมีกําลังแรงทําไมอาปโปธาตวายโยธาตเพราะฉะนั้นในประฐานท่านแสดงเลยนะมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสมหาภูตารูปสมเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองนะพราะองค์แสดงไว้นะเพราะถ้ามหาภูตรูปแต่ละอย่างมันเป็นปัจจัยแก่กันและกันถ้าวิโรธี่ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมากสีเปลี่ยนไปตามนั้น น, นะสีเนี่ยเปลี่ยนตามอนุภาพแห่งมหาภูตรูปถ้าที่ใดมีเตโชธาตุมากสีเปลี่ยนไปตามเตโชธาตุปฐวีธาตุมากสีเปลี่ยนไปตามนั้นวาโยมากสีเปลี่ยนไปตามนั้นน ะ, ะตามสุดแท้แต่อนุภาพของมหาภูตรูปนั้นสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือเบื้องหลังของสีทั้งหมดคื อ, อมหาภูติรูปเนี่ยนะมันก็ต้องมันตรึกพวกนี้จนมีความเข้าใจเป็นปกติเลยเนี่ยนะต้องฝึกให้มันชํานาญจริงๆเลย นี้ถ้ามีความรู้อันนี้ชํานาญเนี่นะสะท่ากระถาไม่ยากใช่ไหมสีได้กีะได้กี่ขันทา่าอริยตนะอะไรร่างสบายเลยครเนี่ยท่องภูกการเนี่ยนี่ตานติงต้งได้ที่หนึ่งก่อนนะเนาะที่การที่สอง <c oughs> เข้าพานวิชานี้มาแล้วนะนะงั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วนะอภิธรรมทั้งหมดที่เราเรียนมาจะมีค่าทันทีเลยแล้วจะไม่มีวิชาใดที่ไม่เอามาใช้เห็นไหจะสงเคราะลงนะอ่า ประเพณหนึ่งรือว่าสงฆ์ทำรรมัสังแค่นีก็ได้วิพังก็ได้าธาตุกรถาก็ได้ยมกากก็ได้สงฆ์ลงปุคละบัญญัติก็ได้สงฆ์ลงปัจฐานก็ได้หมดเลยในเรื่องนั้นแหะเพราะฉะนั้นในทุกแห่งไม่มีไม่มีอะไรที่คําสอนไม่ได้พูดถึงเป็นปัญหาว่าเราคิดถึงคําสอนหรือเปล่าท่านนั้นแหละยังทำมังสารนังข้าฉามินะาจาข้อต้นให้ได้เลยนะว่าเออทำมังสารนังข้าฉามิมีธรรมะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าธรรมะท่านแสดงว่ายังไงในเรื่องนี้ นะโอ เ, เอาเอาโจทย์อันนี้ไปตั้งไว้เนี่ยโอ้สบายนะไม่เงาแล้วต่อไปเห็นอะไรก็เห็นใบไม้ตกอันหนึ่งก็ลึกซึ้งหมดแล้วนะเห็นใบไม้ตกนี่ก็ลึกซึ้งแล้วนะอย่างน้อยที่สุดโอ้ท่านบัตรนี้ท่านเป็นดุดใบไม้เหลืองกัน <c oughs> ยังดีในคลองกันยังนี่ยนะแต่จะลึกซึ้งกว่า น, นั้นอีกก็ต่อไปนะี่ใบไ ม, มนะ้มีกี่รูปนะมีกี่รูปนะวินิโพครูปแปด ในใบไม้มีวินิโภครูปแปเพราะฉะนั้นใบไม้ใบหนึ่งได้เกียรตยตนะสีเป็นรูปายตนะถ้าใบไม้กระทบการดังก็เป็นสัทธายตนะใบไม้มีกลิ่นไหมเปียกคันทายตนะเนี่ยนะเคยชิมใบไม้ไหมเมื่อเช้าวับฉันใบไม้นั่นแหละผักกับใบไม้นั่นแหละอ่านใบไม้มีรสด้วยนะใบไม้บางอย่างกรอบนะ นะโพธิภพเป็นต้นแล้วก็ข่าเอกาสารอาหารที่อยู่ในใบไม้เป็นโอชาเนีนะเพราะฉะนั้นเป็นอายตนะได้ทั้ง6เลยน ะ, ะเมื่อแล้วสีของใบไม้ให้อารามณะปัจจัยของจิตได้กี่ดวงเห็นไหมเสียงของใบไม้ใหอารามณะปัจจัยของจิตกี่ดวง20เป็นต้นเนี่ยนะเข <20. S 1> ต้องมาตรึกตรึกตึกต ก, ก็สงเคาะธรรมะลงไปตรงนั้นแล้วก็คนที่มีเวลาตรึกเรื่องพวกนี้มากๆก็จะดี แต่อย่าลืมนะว่าไม่ใช่อยู่ๆวันนี้จะนั่งปรึกให้มันปิ๊งเลยเชื่อนั่งฟุ้งอย่างเดียวเพราะสติะน ะ, ะรู้เรื่องที่จริงอ่ ะ, อะพวกวินิโยครูปคืออาหารเป็นสติปัฏฐานเหมือนกันแต่เป็นอารมณ์ของสติแต่ทีนี้สติเนี่ยนะตัวสติปัฏฐานก็มีอาหารมีปัจจัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่วิจัยเรื่องนี้ได้เนี่ยนะมีะสติปัฏฐานมีอะไรเป็นปัจจัยมีสุดจิตสามเป็น เป็นอาหารสุจริรสามมีอะไรเป็นอาหารมีอินทรีย์สังวรเป็นอาหารอินทรีย์สังวรมีอะไรเป็นอาหารศรัทอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารสติสัมปชัญญะมีอะไรเป็นอาหารมีโยนิโสเป็นอาหารโยนิโสมีอะไรเป็นอาหารศรัทธาที่บริบูรณ์เป็นอาหารศรัทธามีอะไรเป็นอาหารสัพปริสูการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ก็แสดงว่าครบศัตว์บรุษครบทำอะไรนะสุตตวาอรยะสาวกคือผู้ฟังแล้วเป็นผู้พบพระอรยะฉลาดในธรรมะของพระอรยะมีวินัยของพระอรยะก็จะไล่ทบทวนมาใหม่ฉันคนที่จะวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสมบัติต้องพอพอสมควรเหมือนกันเว้นแต่เว้นแต่อ่านถ้าอ่านไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าปิดตาราให้หมดแล้วเอาความรู้ที่อ่านมาตึกตามนั้นเนี่ย คุณสมบัติไม่เพียงพอเนี่ยหัวเนี่ยร้อนเผาเผาเลย น, นะไขมันจะขึ้นให้ได้เลยนะแล้วถ้าไปหาบางท่านไปปรึกษาปัญหานี้กับบางท่านนี่เห็นไหมเรียนมากฟุ้งซ่านเขาวาังน น, นะเห็นไหมวางงันฟุ้งซ่านเลยกลายเป็นคําสอนไม่ดีเลยทีจริงอ่ะวิชานั้นเป็นความดีมากแต่เพียงแต่ว่าคุณสมบัติของผู้ที่ตรึกธรรมะอันนั้นไม่เพียงพอเพรา ะ, ะนั้นเขาจะต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องสุดเจริญสามให้บริบูรณ์ก่อนจึงจะเพ่งอันนี้ได้ น, นะ อย่างน้อยที่สุดคนที่จะเพ่งอันนี้นะ่าต้องเห็นโทษของสามคำเห็นโทษของกรรมวิบากและกิเลสเนี่ยนะเรียกว่าเห็นภายในสังสารวัตรสังสารวัตคืออะไรคือกรรมวิบากกิเลสอ่ะต้องเห็นโทษของสามตัวนี้จึงจะเริ่มวิจัยพวกนี้เพราะธรรมะเหล่านี้คือประเภทธรรมะประเภทอะไรชำส่วนแห่งการชำแรกกิเลสเนี่ยนะเป็นธรรมะประเภทชำแรกกิเลสเป็นธรรมะเป็นวิวัตตคามินีแต่ว่าเป็นหนทางเพื่อวิวัตตะนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตรึกพวกนี้อ่อนเห็นไหมธรรมะเราก็จะอ่อนไปด้วยนะจะพายังอื่นอ่อนไม่หมดเลยทีนี้ต่อไปเมื่อไม่สามารถยึดรูปกำหนดปัจจัยและยกขึ้นสู่สามั ญ, ญลักษณะได้นะต้องพิจารณาว่าในรูปนั้นมีเท่าไรและรูปนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยเนะปัจจัยกับสมุทฐานนี่สแสดงไว้คลนละนัยะกันนะคือคือปัจจัยนั้นเน้นทั้ง อวิชาตันหาก ร, รมและก็อาหารนี่เขาเรียกว่าปัจจัยแต่ถ้าสมุทฐานเน้นกรรมจิตอุตุและอาหารถ้าถ้าปัจจัยนี่กล่าวกว้างกว่าสมุทฐาน น, นะถ้าสมุทฐานก็เฉพาะโดดๆตรงนั้นเลยถ้าหากว่าปัจจัยอ่อนตีรนปริญญาก็อ่อนด้วยนะยกสู่สามัญลักษณะเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็อ่อน เพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงเรื่องไม่เที่ยงไม่ใช่รอให้มันสมมติแบบพิจารณาดอกไม้ว่าไม่เที่ยงรอให้ดอกไม้มันร่วงก่อนเออใช่เลยไม่เที่ยงจริงๆอย่างนี้ห <c oughs> ว่านะก็จะพิจารณาใครสักคนหนึ่งไม่เที่ยงรอให้มันตายก่อนเออใช่ใช่ไม่เที่ยงจริงๆอย่างนี้หว่าไม่ใช่นะั่นเป็นไข้โครนอสามะเนนเจ็ดขวบเนี่ยรู้ไม่เที่ยงเป็นอย่างดีถามอสามะเนนเจ็ดขวบเห็นใครตายบ้างหรือยังหรือว่าคิดตัวเองเออเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะต้องตายหรือเห็นตัวเองตายก่อนจึงจะเห็นไม่เที่ยง พันเรื่องสัมมสนาท่านใช้คําว่าสัมมสนะสัมมสนาแปลว่ า, พ, าพิจารณาตีระนาแปลว่ า, พ, า, าพิจารณาอีกนั่นแหละ <c oughs> แนวนี้ยากจริงๆ <c oughs> ผมเชื่อครับว่าวิชานี้เสื่อมศูนย์แน่ๆ <c oughs> เพราะว่าทุกคนอย่างนี้แล้วนี่นะครับก็หันไปหาวิธีที่สะดวกกันนี่ที่สะดวกก็ ผู้ทั้งทำบังสังคังสารนังค้าฉามมิใครมีอย่างอื่นเป็นสาระก็คือต่างคนรักษาใจเอากันแล้วกันผมเอได้นําเรื่องนี้ไปอธิบายให้พี่สาวผมฟังและผมบอกว่าถึงแม้เราจะเห็นว่าเรามีอายุแล้วไม่มีความสามารถที่จะจดจะจำคนดีหรือว่าเห็นว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินจริงก็ดีนี่นะแต่อย่าไปบอกว่าผิดนะแต่อย่าไปเข้าใจว่าแนวทางนี้ไม่ถูกนะ แล้วไปเข้าใจว่าแนวทางของตัวเองหรือแนวทางอื่นถูกถ้าอย่างนี้จับจ้วงก็ทำมาวินยัยและกลับว่าไม่มีธรรมะเสลานังคชาติธรรมังสลานังคชาติามีนี่นะฮะแต่ถ้าหากว่ารู้อย่างนี้ถูกนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนี่นะครับแต่ขอให้รับก่อนนะว่าอันนี้นี่เป็นธรรมะของพระทีเจ้าถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไร คือเที่ของขมาเนี่ยนะทำไมจึงจึงเอาอธิบายตามนี้เพียวๆเลยโดยที่ไม่ได้เอาความรู้สึกอะไรของตัวเองมาว่าสักเท่าไหร่นะีคือส่วนใหญ่เวลาเราอธิบายเนี่ยนะขอามาเวลาจะอธิบายธรรมะเนี่ยจะนึกก่อนว่าคํานี้ถ้าอธิบายอย่างเนี้ต้องมีที่มารับรองนะต้องต้องนึกเลยว่าคำเนี้ยอยู่ที่ไหนนะีจะต้องตามคนเรียกว่าถามหาต้นขั้วได้นะ เ, เวลาเราพูดเนี่ยเราจะนึกแบบนั้นติดตามไปด้วย ท, ที่จำเป็นต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรคือโดยข้อมูลหลักฐานที่พบก่อนในอัตถกถามหาปรินิพานสูตรทีขณิกายนะ ท, ที่พระองค์ตรัสกับพระนนว่าดูก่นอนอนนทธรรมวินัยใด ท, ที่เราตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราคือถ้าพระองค์ปรินิพานแล้วก็ธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอ แล้วท่านอธิบายว่าพระธรรมพระองค์เนี่ยนิพพานแต่เพียงผู้เดียวแต่พระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ 84% ดหมพพระธรรมอาคารจะตามโอวาทอนุสาสนีแก่เธอทั้งหลายก็คือพระองค์นิพพานแต่เพียงผู้เดียวแต่พระองค์นิพพานแล้วจะมีพระพุทธเจ้า8ป0 0 0ืพันองค์ตามโอวาทอนุสาสนีแก่เธอทั้งหลาย เ, าเสร็จแล้วตรงนั้นเนี่ยเฉพาะในอัตกถามหาปริญนิพพานสูตรก็ว่าเออที่เดียว นี่ดูในดีกาพระวินัยอีกดีกาพระวินัยพาหิรนานิทานกล่าวเหมือนกันอีกเป๊ะเลยแล้วดูในดีกาวินีตวัตถุทุติยปราชิกเอ๊ะเหมือนกันอีกเนี่ยนะแล้วแล้วมีในจุนทะสูตรเนี่ยนะเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยแต่งตั้งภิกษุผู้เป็นประหูสูตรว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์ก็คือไว้ในตำแหน่งของพระองค์เลยคือคือที่กล่าวเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่า พระองค์นะัเป็นผู้เคารพธรรมนะเพราะฉะนั้นอัตตะและพยัญชนะของพุทธพจน์นั่นแหละคือคือพระศาสดาเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละหมวดนั้นส่วนไหนที่เราไม่รู้ก็ต้องทําใจว่าไม่รู้เพราะว่าในในชั้นต้นของการเข้ามาในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราตั้งใจไว้อย่างไงเรากล่าวไปยามถึงสารณคมนะแล้วก็ถ้าเราเรียนมาดีแล้วก็จะรู้ว่าทำมังสารนังข้าฉามีองค์ทำได้แก่ท่านล็อกไว้เลยนะว่าพระปริยัติ อริยมรรคอริยผลและนิพพานอาบางแห่งบอกเขาเรียกว่าตันติตันติก็คือภาพปริยัติหรือาาพระไตรปิฎกนั่นเองเรียกว่าทำมังสารนังฆ่าฉามีเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามได้หรือไม่ได้นั่นน่ะเอาในโลกนี้เราปฏิบัติอะไรได้บ้างเอาเอาเป็นการเป็นงานเลยนะเรียนมาทุกเรื่องเนี่ยทําอะไรพอได้เป็นบ้างอ่านหนังสือมาถามว่าโอ้โหเราแต่งหนังสือได้กี่เล่มอเงี้ยเอาเอ า, เอาเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงจริเนี่ยนะถามว่าโลกนี้เราพอรู้อะไรบ้างเอาจริงๆเลยเอา แตกฉามในเรื่องนั้นเลยวังนั้นเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเลยนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราศึกษาในฐานะอะไรเมื่อเราตั้งใจว่าทำมังสาระนังข้าสามีเราตั้งไว้แล้วใช่ไหมสี่ความหมายหนึ่งขอมอบกายถวายชีวิตตามนี้แหละเรียกว่าอะไรนะคุณลุงข้อหนึ่งเนี่ยอัตตะสันนิยตนะเนาะมอบกายถวายชีวิตข้อสองข้อสองอะมีพระธรรมนำไปเบื้องบนอะตปรายนะ มีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะั้นเวลาเราไปไหนเนี่ยหรือเห็นอะไรมีพระธรรมนาหน้าไหมในทุกๆอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องเลยั น, นเรียกว่าตับปรายณ์นะข้อสามอะไรนะนสิสภาวุปธรรมณะขอถึงความเป็นสิทธิ์ของท่านน่ะสิทธิ์ที่ดีเขาพึงทำเช่นไรข้อสี่เนี่ยคุณลุงชำนาญนะครับนี่อะไรเนี่ยเออปณิป่าต่างได้ตะ้กอกกันอย่างนี้ <c oughs> ะปณิปาตะนอบน้อมสารณะสามเหมือนกันนอบน้อมือนะขอติดตามนอบน้อมท่านนี่เป็นสิ่งที่เราเราเนี่ยนอบน้อมท่านเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งใดที่เรานอบน้อมถามว่าเราควรไม่ที่จะพูดโดยความไม่ไม่เคารพไม่ยำเกรงมีคนเป็นจำนวนมากที่กล่าวจับช่วงแล้วก็ไม่เคารพโดยไม่รู้ตัวคือจะเอา ตัวเองเป็นมาตรฐานถ้าตัวเองเป็นมาตรฐานนี่ครับถ้าเห็นว่าเออนี่เข้ากับเราได้เราเข้าใจได้พอเราทําได้เออพระธรรมอันนี้ถูกต้องอแต่พอได้นําพระธรรมจริงๆมากล่าวแล้วโอ้นี่ยากเกินไปนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนหนุนธรรนี่เป็นการที่ออกล่าวปอกเป็นกั้นตัวเองละปิดกั้นตัวเองแล้วก็เป็นโทษที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับเจนพรเพราะนั่นต้องต้องมีอัตตะสัมมาปณิธิดีๆหน่อย น, อนะจัง ต้องมีอัตตาสามมาปณิทิตั้งตนไว้ดีๆหน่อยมิฉะนั้นแล้วเราจะมันจะเป็นการปิดกั้นมากๆเลยอริยปวทะนี่นะคือคือถ้าถ้าเรากล่าวจ้วงจาบคำสอนเราก็ไม่สามารถงอกเงยในคำสอนได้ในมหาตันหาสังคยสูตรเนี่ยพระองค์กล่าวบอกว่ามีไหมที่สาติจะเจริญงอกงามในธรรมวินัยของเราเนี่มีไมสติที่สูเนี่ยนะในมหาตัหาสังคยสูตรเนี่ยกาว กล่าวอธิบายไว้ค่อนข้างหนักมากว่าผู้ที่จ้วงจับนั้นมีโทษแล้วก็ในอลักษคัทูประมาสูตรนี่ก็ลักษณะเดียวกั น, น, นเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจให้ถูกหรือถ้าเราจะเอาตัวเราเป็นมาตรฐานเนี่ยเราก็มาเทียบว่าเราเป็นใครเอาเราเนี่ยเป็นใครก่อนอันดับแรกนะปุตุชนนะทีนี้ปุตุชนเราเนี่ยทรงพระไตรปิฎกอะไรได้บ้าง นะพระสูตรพระวินยัยภาพพิธามจำได้กี่สูตรเหมือนกันเถอะเอาจําได้จริงๆเลยร่ายแล้วอธิบายตามนั้นในเป๊ะๆๆดามเนี่ยได้อะไรม้างเอามาเนี่ยทำมาจากยังจาไม่ได้เลยได้หัวได้ท้ายหน่อยๆนั่นะจําไม่ได้เอาถ้าถ้าอัุนี้ต่อไปอันทะปูตุชนกับกาลยานะปูตูชนนี่ห่างกันไหมเขาบอกว่าคนเมืองกับคนดอยเนี่ยเหมือนกันไหมโอ้ยห่างกันมากจริงๆเวน้น้อยแต่คนดอยไม่อยู่เมือง น, นะอาจจะเท่าเดิมเหมือนกัน แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติแล้วคนดอยกับคนเมืองนี่ห่างกันว่างั้นปุตุชนที่ได้ศึกษากับไม่ได้ศึกษาก็คิดคนละงานละปุตุชนกับพระโสดาบันท่านบอกเลยในคำพีอภิธรรมมาวตาลท่านบอกเลยว่าปุตุชนไม่รู้จิตของพระโสดาบันแล้วก็อธิบายว่าพระโสดาบันไม่รู้จิตพระสกทาคามีพระสกทาคามีไม่รู้จิตพระนาคามีพระนาคามีไม่รู้จิตพระอรหันต์พระอรหันต์ธรรมดาเนี่ย ไม่อยู่ในวิสัยของพระสีติสาวกพระสีติสาวกก็ไม่รู้วิสัยของพระมหาโมคคลานะพระมหาโมคคลานะก็ไม่รู้วิสัยของภาษาริบุตรภาษาริบุตรไม่รู้วิสัยพระปเจกับพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าไม่รู้วิสัยของพระพุทธเจ้าทีนี้แล้วพุทธพจน์เหล่านั้นถ้าเป็นพุทธพจน์คือคำคำแสดงของพระพุทธเจ้าทีนี้ย้อนลงมาใหม่มหาเราคืนเราเป็นใครกันเนี่ยมันห่างเหลือเกินนั้น เพจึงมันโบราณท่านบอาทำอะไรก็ตั้งน้โมก่อนนะนอบน้อมท่านก่อนนะเพราะท่านท่านกลัวอริยุ ป, ประวัติพะเพราะว่าสวากขาโตพระวาตาทำโมพระธรรมทรงตรัสไว้ดีแล้วแล้วพระองค์บอกว่าธรรมวินัยใดที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธออันพุทธพจน์ก็เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์อันการกล่าวด้วยจิตชนิดใดที่เรามีต่อพระรัตนตรัยนะรู้ก็ตาม ไม่รู้ก็าตามมีโทษไม่นึกแปลกเขามีพิมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะเตรียมอาหารไปถวายสงฆาเนี่ยนะโฉบขโมยไปกินเนะี่ยตาเป็นเปรตนะตของสงฆ์อาหารของสงฆ์อันนั้นเนี่ยนะแล้วก็เราเรียนเรื่องกรรมมาเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหคำพูดแต่ละคาที่เราพูดออกไปเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตของเราก็คืออยู่ที่เจตนาอันนั้นเนี่ยนะเคยใส่ใจไหว่าเจตนาเราเนี่ยมีโทษหรือ ไม่มีโทษเพราะฉะนั้นเรื่องของเจตนาเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นในมงคลสามสิบแปจึงให้แยกแยะ ก, ก่อนเลยว่าอะไรเป็นพานอะไรเป็นบัณฑิตหรือคนดีคนชั่วเป็นยังไงแล้วต่อไปอะไรเป็นคนที่ควรบูชานะไม่คบคนพานคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาเอตมังคารมุตตะมังนั่นแหละเป็นมงคลที่สูงสุดเหมือนกันเป็นเหตุแห่งความเจริญต่อไปอันท่าเราแยกแยะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่มีโทษใด เสมอด้วยอวิชานะบอกในโลกนี้ความไม่รู้เนี่ยเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยนะในต่อไปนะว่า <c oughs> กลับมาหาที่ว่าฉลาดในรูปเมื่อกี้เนี่ยฉลาดโดยยึดรูปก็คือรูป28แเนี่ยนะและรูป28ท่านเน้นมากเลยยกตัวอย่างว่าภิกษุหรือสัมเนนทุกอง์ว่าบวชเข้ามาท่านต้องบอกว่าต้องให้แต่จะปัญจักกรรมฐาน ท่านท่านกล่าวไว้เลยนะในอรรถกถาสมันตะปาสาธิกาเกี่ยวกับเรื่องการบวชถ้าเขามีอุปนิสัยเนี่ยถ้าให้กรรมฐานอันนี้แล้วเขาสามารถบรรลุอรหันต์ได้จรวดกลลกโกนครแรกโสดาบันครั้ที่สองสกทาคามีครั้ที่สามอนนาคามีหมดหัวเป็นพระอรหันต์พอดีเลยเรียบร้อยเออไม่ใช่องค์เดียวนะไม่ใช่องค์เดียวแต่ก็ไม่ใช่เรานะพรามาเนี่ยยังนึกๆโกนผมไม่ต้งนอน ก่นจะออกพรรษาปีที่แล้วเนี่ยจะกลับน้องปิงเออเพิ่งนึกสมุดฐานของรูปตอนที่ผมเนี่ยนะโกนแครกแครกตเนี่ยเออผมมีสมุดฐานสี่เพิ่งนึกได้ตอนนั้นอะ่ะกำลังนึกโอ้โหเนี่ยโกนมาจะปีหนึ่งก็โกนมาตั้งสิบสองครั้งเกือบสิบปีอะ่ะอเป็นร้อยแล้วร้อยยังเพิ่งรู้สมุดฐานตอนนั้นอะ่โอะโหห่างเหลือเกินเหมือนกันเพิ่งนึกได้ตอนนั้นเหมือนกันแต่แต่ก็พูดเรื่องนั้นมานานละแต่ว่ามาใส่ใจจริงๆเนี่ย น้อยมากเราก็นึกการใคร่ควรวญของเราเนี่ยอ่อนจริงๆว่างั้นก็ถ้าอ่อนก็ไม่ต้องร้องเรียกอาจจร้องเรียกเอาผลมากมายนันก น, นะนะสมควรกับเหตุทางนั้นอนาพันจะต้องรู้ปัจจัยของเขาและยกขึ้นสู่สามัญลักษณะใคร่ครวนใคร่ครวนว่ายังไงบ้างอ่ะตีรณะปริญญานี่มีสี่สิบใช่มสี่สิบหรือส2ิบสองอันนี้จะโตทุกกโตโรกโตนาตโตเนี่ยนะ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเหมือนโรคเป็นเหมือนฝีเป็นดังลูกซ้อนเนี่ยนะเป็นเหมือนกับของขอยืมเขามาเป็นเหมือนฝ่ายอื่นเป็นปรปักเป็นของเล็กน้อยเป็นของนิดหน่อยเป็นต้นเนี่ยนะเราจะต้องเอาคําพวกเหล่านั้นมาคร่ครวนให้มากๆแล้วก็กำหนดรูปยึดถืออารูปนะคือถ้าหากว่ารู้เรื่องรูปเหล่านั้นดีจะรู้ว่าในผมนี่มีวัตถุรูปอยู่ด้วยใช่ไหมมี ผมนั้นเป็นวัตถุรูปทั่วร่างกายเนี่ยนะที่ไม่เป็นวัตถุรูปมีน้อยมากวัตถุรูปคืออะไรรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจิตวัตถุรูปคือรูปที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิต<ำ>แล้วในทุกส่วนของร่างกายเนี่ยก็เป็นอารมณปัจจัยของจิตทุกส่วนเลยนะตั้งแต่หัวโจรสเท้าเนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของ เมื่อกล่าวว่าอารามณะแล้วจิตกี่ดวงอะที่ไปรู้อารมณ์พวกนั้นอะนะที่มีพวกนั้นเป็นอารมณ์แล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นข้างนอกอกีกอันนี้เป็นเรื่องของนามหรือเรียกว่าอารูปแล้วก็กําหนดปัดจจัยอีกยกขึ้นสู่สามัญลักษณะเนี่ยนะให้กรรมฐานถึงที่สุดภิกษุนั้นย่อมไม่เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญามักผลนิพพานในาศาสนานี้ เหมือนฝูงโคของนายโคบานย่อมไม่เจริญชนัะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะอันนี้เรียกว่าไม่มีคุณสมบัติถ้าคนเลี้ยงวัว น, นี่ก็ <c oughs> เปอร์เซ็นอดตายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะอะไรก็บอกวัวยังไม่รู้จักเลยวัวเป็นอะไรนะวัว ม, มีกี่ตัวก็ไม่รู้จักสีของวัวแต่ละตัวเป็นยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ไปต้อนวัวพระราชามาเนี่ย <c oughs> แย่แล้วคันนี้ <c oughs> โทษประหาร น, นะ <c oughs> เขาบอกว่าเหมือนอย่างว่านายโคบานั้นย่อมห่างไกลจากปัญจาโครถันใดภิกษุนั้นก็ห่างไกลจากธรรมขันห้าชันนั้นธรรมขันห้าคือศีลขันขันห้ากับธรรมขันห้าคนละอย่างนะศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันและวิมุตติญาณทัศนขันธรรมะที่เป็นกองอ่ะคือไม่ใช่อันเดียวศีลไม่ใช่อันเดียวใช่ไหมโอ้ศีลกุศลศีลเยอะแยะไปหมด ถ้าบอกว่าศีลเยอะๆเนี่ยนะคนเอ๊ะชักลกล้าเลยนะกลัวแต่บอกกูโซ ล, ละศีลเนี่ยเยอะกุศซมีโทษหรือไม่มีโทษไม่มีโทษใช่ไหมถ้าถ้าใครเห็นว่าศีลเป็นทรัพย์เมื่อไรเนี่อยอยากเพิ่มอีกนะผน่าจะได้เยอะๆนะแต่วันไหนเขาบอกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลเนี่ยนะอูห้านี่ชักน้อยเยนะี่ยนะแปดก็ไม่มากเท่าไร่เมื่อเทียกบกับสิบเนี่ยน้อยกว่าสิบเหมือนกันใช่ไหมถ้าถ้าจะเอานับเป็นบุญเนี่ยนะแต่ถ้านับเป็นโคเนี่อู้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ แสดงว่าศรัทธาเนี่ยมันง่อนๆอ่ะเนาะแสดงว่าซับอ่อนมากอริยะซับนั้นก็พิสูน์เนี่ยนะถ้าไม่รู้จักเรื่องรูปอย่างตลอดสายที่ว่าไปแล้วเนี่ยก็จะเสื่อมจากธรรมขันธ์ห้าอันเป็นของพระอสิค่ะฉันนั้นอันนี้ชื่อว่าไม่รู้จักรูปโดยโดยการนับเท่าที่สังเกตดูนี้ก็เป็นเรื่องของปริญญาแท้ๆเลยเป็นพาน เพราะว่ารูปรูปนี้เป็นโดยสัจจะสี่รูปเป็นสัจจะไหนก็เป็นทุกขสัจทุกขสัจภงกิจของทุกขสัจก็คือกําหนดรปริญญาสามเจนพนและต่อไปชื่อว่าไม่รู้จักโดยสมุดฐานเป็นอย่างไรก็คือไม่รู้ว่ารูปประมาณเท่านี้มีสมุดฐานเดียวรูปมีสมุดฐานเดียวคือเช่นปัสาทธรูปทั้งหมดมีสมุดฐานเดียวคือกรรมรูปเท่านี้มีสองสมุดฐานยกตัวอย่างเช่น เสียงเสียงมีสองสมุดฐานนี่สมุธฐานอะไรเสียงน้อนเสียงตุ๊กแกจิตจิตนะจิตชนิดไหนนะน่าจะเป็นจิตชนิดไหนน่าจะเป็นโลภะมากกว่านะถ้าร้องด้วยโทสะเนี่ยนะอ๋ออกุสสนเลยนะอ๋อมันเรียก้องเรียกหากคู่มากกว่านะถ้าร้องอย่างเงี้ยด้วยโลภะถ้าร้องด้วยโทสะมันจะร้องดังกว่านี้แล้วก็จะร้อง <c oughs> น่ากลัวขานี่เพราะอะไรสมัก่อนจับตุ๊กแกบ่อยเหมือนกัน พูดถึงเอเน่แน่แต่อันนี้ทําบาปอีกนะ ย, ยังยังนึกนึกนะ เ, เรานึกถึงอะไรสักอารมณ์หนึ่งนะไม่เคยไปได้อารามมณะปัจจัยนั้นเป็นอารมณ์ของอกุศลของเราเนี่ยหายากนะคิดคิดไปทุกๆอารมณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องนี่แทบจะได้บาปติดตัวมาทุกอารมณ์เลยอ่เพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบสังวรนั่นไงนี้อจะจะเดินกรุณาให้มากๆได้เลยว่ากรรมวัดทาไว้ไม่ค่อยดีวิปากวัดอะ สมควรจะทุกแน่นอนแล้วพอทุกแล้วอะไรเกิดต่อนะโทสากเกิดมาอีกคร่าครัวญโอยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะนะกิเลสวัดเกิดต่ออีกทํากรรมมาอีกสรุปแล้วก็วัดตาเหมือนกันแต่วัดตาแบบไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าคนมีบุญก็อาจจะเห็นเห็นอสาธ า, าของของวัดตามากนะใช่ไหมโอ้กรรมมาวัดก็ดีดีวิปากรรวัดก็ดีดีกิเลสวัดก็เลยไม่มีดีสักอย่างแต่ก็สําคัญพอดี นะต้องรู้ว่าสองสมุดฐานต่อไปรูปบางอย่างมีสามสมุดฐานอะไรบ้างอะรูปสมุฐาน ร, รูปที่กรรมสมุดฐานก็คือ <3 S 1> อะไรนะรลักษณะรูปมีกี่สมุดฐานอ่าก็มีนะแบบแถวๆนั้นนะมีสามสมุดฐานวิญญาติรูปมีสองสมุดฐาน วิ ญ, ญยัตมีจิตเป็นสมุทฐานอย่างเดียวต่อไปในรูปประมาณเท่านี้มีสี่สมุทฐานหมาบูต ร, รูปมีสี่สมุทฐานา น, น ะ, ะย่อมไม่ตั้งขึ้นใช่ไหมคือแล้วแต่ว่าแต่สมุทฐานไหนละเลยแล้วก็มีรูปบางรูปที่ไม่เกิดจากซักสมุทฐานเลยมีไหมรูป ท, ที่ไม่มีสมุทฐ า, านเลย ไปเฉดธารูปถ้าอยู่ในร่างกายก็นับว่านับว่าไปตามนั้นด้วยไปเฉดใช่ไหมครับไปเฉดรุปใช่ไหมครัที่ไม่มีเลยมีมีพระรูปทุกรูปก็น่าจะมีสมุทฐานก็บอกว่าประมาณเท่านี้ย่อมไม่ตั้งขึ้นแต่สมุทฐานไหนเลยพระรูปที่ไม่มีสมุทฐานน่าจะมีอยู่นะแต่จําไม่ได้แล้ะสายเรียนเลยมั้งนี่ เ, เรียนเลยและจําไม่ได้ไคุณ จำได้ไหมรูปที่ไม่มีสมุดฐานาาจำไม่ได้นะ อ, าาน ช, อ, อะช่องว่า ง, ง<อ>าท่านท่านนับนะครับช่องว่างช่องว่างข้างนอกเละอัะนนะ่ะอาจจะได้ไมะมต่อไปมไม่รู้ ไ, ร <c oughs> ได้อวิชามอีกตัวพิษูจนี้เปรียบเหมือนนายโคบานนั้นเอ๊ะชักถูกแล้วเนี่ยถูกเราอย่างไรเงไม่รู้จากรูปแ่งโคทั้งหลายโดยสีฉะนั้นเธอไม่รู้จากรูปโดยสมุดฐานยึดถือรูป กำหนดรูปเป็นต้นแล้วเนี่ยนะก็จะห่างไกลาจากธรรมขันห้าอันนี้คุณสมบัติข้อต้นเลยเป็นคนเลี้ยงวัวก็ไม่รู้จากวัวเป็นภิกษุก็ไม่รู้จากรูปก็อพอกัน น, นั่นแหละมันงั้นพอตรงไหนพอตรงที่เสื่อมจากประโยชน์นั่นเองอถ้าหากว่าคนเลี้ยงวัวก็เสื่อมจากปัญจากโครถใช่ไหมปัญจากโครถก็คื อ, อรถของโคเนี่ยนะก็คือผลจากโคก็คือนมสดนมส้ม เปลียงเนยใสเนยขนเนยข้นเนยใสเนี่นะห้าอย่างเนี่ยเป็นบัญจะเป็ น, ปนจะโคตรเนี่ยนะมันถ้าคนเลี้ยงวัวไม่ฉลาดก็เสื่อมจาก5้าอย่างนี้นะนมสดก็ไม่ได้นสมส้มก็ไม่ได้เปลียงก็ไม่ได้เนยก็ไม่ได้เนยไสก็ไม่ได้เนยข้นก็ไม่ได้นนไได ค, คนที่เลี้ยงวัวไม่ฉลาดก็ผลที่สุดก็จะเป็นแ น, นั้นพิสูจนผู้ไม่ฉลาดก็เสื่อมจากธรรมะขันห้าคือศีลขันสมาธิขันตัญญาขัน วิมุติขันและวิมุติยาณทัศ น, นขัน์ให้เรื่องรูปก็ไม่ธรรมดามกันนะทีนี้ข้อ2ภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรนะคือพิกษุในศาสนานี้ไม่รู้ชักตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ผู้ไม่ฉลาดในลักษณะอย่างนี้แหละก็คือไม่รู้จักลักษณะของคนที่ที่เราเกี่ยวข้องนั่นเองไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีเป็นคนชั่ว ณนะขณะกุสโลโหติว่าไ ง, งเด้อไม่ฉลาดในลักษณะนี้นะก็คือย่อมไม่รู้จักว่ า, ากุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นลักษณะพานและบัณฑิตคือคนพานเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าคนพานนี่มีอะไรเป็นเครื่องหมายมีอะไรเป็นลักษณะก็ดูจากอากุศลกรรมที่เขาทํานั่นแหละคนพานมีลักษณะคือกายะทุจริตถ้าพูดก็เป็นวจีทุจริตถ้าคิดก็เป็น มโนทุจริตนั่นแหละเป็นภาละนิมิตภาละปทานเรียกว่าเป็นยี่ห้อเป็นเครื่องหมายเป็นตราของคนพานเพราะเขามีลักษณะลักษณะนี้แหละบัณฑิตจึงรู้ได้ว่าเขาเป็นเป็นพานส่วนบัณฑิตเนี่ยรู้ได้ยังไงก็เขามีกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตนั่นแหละนิมิตยี่ห้อเครื่องหมายลักษณะของบัณฑิตที่ให้บัณฑิตรู้ว่าเออนี่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะลักษณะนี้แหละเรียกว่านิมิตของคนพาน คนพานมีกรรมเป็นลักษณะคนเป็นบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะเมื่อเขาไม่รู้จักอย่างนี้ก็ไม่เว้นคนพานไม่คบหาบัณฑิตใช่ไหมก็คือผู้เรียระยะหนึ่งก็คือพระในยุคนี้ส่วนหนึ่งก็ถ้าไม่รู้จักเลือกโยมที่คบเนี่ยน ะ, ะไปคบโยมที่ส่งเสริมให้ผิดพระวินยัยไม่คบพร ะ, ะไม่คบคารวะที่ส่งเสริมให้รักษาธรรมวินยัยอันนี้ก็ชื่อว่า แยกผ่านแยกบัณฑิตไม่ออกละเมื่อไม่เว้นคนพานไม่คบบัณฑิตไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรอาภัณกุศลสิ่งที่มีโทษไม่มีโทษโทษหนักโทษเบาแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้เหตุม่ใช่เหตุเมื่อไม่รู้สิ่งนั้นย่อมไม่สามารถเพื่อจะถือเอากรมฐานไปเจริญได้พิสษุนนั้นย่อมไม่เจริญด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วในศาสนานี้ เหมือนฝูงโคของนายโคบานนั้นไม่เจริญคือเป็นผู้ห่างไกลาจากธรรมขันเหมือนนายโคบานห่างไกลาจากปัญจโครสฉะนั้นนะอันมีความสำคัญมากนะคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะสังเกตจากเพื่อนบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเลยไปเกี่ยวข้องกับบางท่านแล้วก็ผิดพระวินัยเนี่ยมีเยอะเลยนไหมอันคนที่เราเกี่ยวข้องนั้นมีความสำคัญมากว่า ถ้ากุศลศีลเรารักษาไม่ได้กุศลอย่างอื่นจะรักษาได้ไหมมั้นคนที่เราเกี่ยวข้องนั้นมีอิทธิพลต่อกุศลศีลของเรามากเลยน ะ, ะถ้าเมื่อเราเกี่ยวข้องกับเขากุศลศีลไม่ได้สมถะวิปั ส, สนาเป็นต้นก็ไม่ได้เลยเหลือแต่ความสงสัยฟุ้งซ่านเห็นไหมนิวรณ์5้าก็ครอบงำนะเมื่อนิวรณ์5ครอบงำเป็นต้นแล้วก็อย่างอื่นก็จะตามมาใช่ไหมนิวรณ์หครอบงามก็เป็นปัใจจัยให้ทุจริต ตามอย่างอื่นมาเป็นขบวนเลยสังสารวัตก็ยาวไกลเฉนั้นเรื่องฉลาดในการรู้จักคนเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไว้แล้วแหละว่าคนพานก็มีลักษณะบัณฑิตก็มีลักษณะเฉะั้นคนถ้าพูดแบบคนที่ศึกษาคําสอนก็คือคนที่เอาคําสอนนั่นแหละเป็นถือว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยนะตาม น, ายนัยนี้คนที่ไม่เอาตามคําสอนนั่นแหละก็เป็นเป็นพาน มันก็ต้องรู้ลักษณะรู้ว่าอะไรควรครบไม่ควรครบเป็นตน้นแต่ว่าถ้าหากว่าเอาโดยกว้างขวางพิสดารก็ดูได้ในมังคลทีปณีกล่าวถึงเรื่องพานและบัณฑิตนะนะตรงนั้นเยอะนะตั้งแต่พานธรรมดาจนถึงพานชั้นสูงเลยเห็นไหมมหาพานเลยมหาพานเน่ยเออพานบางคนเหาะได้นะเ <laughs> ชื่อไหมพระเทวทัตเนี่ยเหาะได้นะสมัยนั้นอ่ะวันนี้พานชั้นสูงเลย <laughs> เจเป็นุศนะเอาเหรอได้แต่ว่าอาศัยความป่าถนาลามกหนึ่งคบเพื่อนชั่วหนึ่งนะแล้วก็อะไรอย่างนึงเพราะอาสัตถ์ ท, ทอป่าถนาลามกถูกลาบสการะครอบงําคบเพื่อนชั่วอาสัตถ์ทำสามอย่างนี่แหละทําให้พระเทวทัตเนี่ยตกต่ําอย่างรุนแรงมากเพราะพระเทวทัตไม่เลือกคบภาษาดิบดุ้นไม่เลือกคบภาษาดิบุตรแต่คบพระโกกาลิกะอย่างไงท่าน แล้วก็ลาบสการะที่ที่พระเจ้าพระอชาติศัตรูให้เนี่ยนะมากอะ่ะวันละห้าร้อที่อะ่ะพอที่จะเลี้ยงบริวารได้เยอะๆนะคนที่ติดเรื่องลาบสการะก็ไปอยู่กับพระเทวทัตพระเทวทัตเลี้ยงดีนี่พระเจ้ า, าชาตศัตรูบํารุงอย่างดีนะก็กอ่องนะทำอกุศลได้อย่างมากมายน่าสงสารนะเขาบอกว่าเหล็กเข้าแท่งตามเท่านั้นแหละทึบเออที่เรียกว่าเสียพระเทวทัตเนี่ยนะตรึงไว้กับที่เลย เสียบจากข้างหน้าไปข้างหลังจากข้างซ้ายไปข้างขวาจากข้างบนข้างล่างเลยนะเสียบไว้เหล็กเข้าต้นตาลเองนะในคัมพี์ท่านกล่าวไว้อย่างนั้นของเราถ้าไม้จิ้มฟันจิ้มผิดที่นี่นก็ปวดกันอนะ่ะเนาะเหล็กเท่าต้นตาล น, นี่ขนาดไหนกันม่รู้นะโอ้ท่าบอกว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ไปอย่าทำชั่วเลยเนาะนี่ต่อไปนะนิยัตที่สามภิกษุผู้ไม่ฉลาดข้อสามก็คือภิกษุเป็นผู้ไม่อ่า เป็นผู้ไม่เคียร์ไข่ค้างออกเสียเป็นอย่างไรไก็คือภิสูจนในศาสนานี้ให้กามวิตกคือความตรึกประกอบด้วยกามเนี่ยเกิดขึ้นพยาบาทวิตกความตรึกที่ประกอบวิหิงสาวิตกเนี่ยนะแล้วก็อกุศลบาปประธรรมเป็นอกุศลที่เป็นบาปซึ่งเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อยู่ทับถม อกุศลใดเกิดขึ้นเนี่ยนะอกุสนวิตกสามอกุสลทั้งหมดก็ให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นทับถมไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียทําให้เกิดเนืองเนืองจเจริญโลภเจริญโทส ะ, จะเจริญโมห ะ, จะเจริญบาปเนืองเนืองว่างั้นเถอะพิกษุไม่เคลียร์ใครขังออกเสียอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าพิสูุไม่รู้จักเคลียร์ใครขัง ก็บอกว่านอาสากิตังสาเกตาโหติความว่าย่อมไม่บรรเทากามวิตกเป็นต้นที่กล่าวแล้วอย่างนี้ว่ากามวิตกเกิดขึ้นแล้วดังนี้ไม่คอยเคลียร์ไขค้างเป็นอากุศลวิตกเมื่อเที่ยวประเพณีอยู่ในอำนาจของวิตกย่อมไม่สามารถเพื่อจะถือเอากรรมฐานให้เจริญได้เนนะเพราะนั้นมแมลงวันเนี่ยบินว่อนเลยตามศีรษะว่งางันไปที่ไหน มแมลงวันคืออะไรอกุศสนมตกงบินว่อนที่ไหนก็นแหง้งอ็เป็นพรวนในสูตรเกี่ยวกับเรื่องมแมลงวันเหมืนกันพงว่าตรัดนะเห็นมแมลงวันเออเนี่ยอกุุสนมตกมเป็นเหมือนมแมลงวันเหมืนกันถ้าแบบคนเลี้ยงโคก็อไม่เคลียคร์ไข้ังอ่ะนะก็คือเวล า, มาแมลงวันหัวเขียวเนี่ยมาตอมใส่ตรงนั้นแล้วมันวางไขไว้ในถ้าไม่เคลียร์ออกเนี่ยแย่แน่ จิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าเกิดขึ้นถ้าไม่เรียบชําระความคิดอันนั้นเหนไถามว่าในโลกนี้ใครทําลายใครได้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเหล็กนี่อะไรทำลายทาลายตัวเหล็กอะ่ะก็คือสนิมที่เกิดในเหล็กนั่นแหละเป็นทำเป็นตัวทําลายเหล็กชั้นใดสทาทั้งหลายที่ที่ทำลายก็คือบาปอากุศลที่เกิดขึ้นในในจิตของเขานั่นแหละเป็นตัวตัวทำลายเขาเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นโทษของอกุศล แต่อย่าลืมว่าอากุศณก็เกิดด้วยปัจจัยเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักปัจจัยของอกุศณก็ไม่สา ม, มารถที่จะชำระบาปอากุศลเหล่านั้นได้อกักข u ณวิตกนี้เป็นสัจจะไหมเป็นเป็นสัจจะข้อไหนก็เป็นทุกสัม เ, เป็นสมุทัยสัจ ส, สมุทัยสัจกิจขอ<า>งเขาคือปานะหานะาแต่ทงางค้ะปานวิคัมพะนปะปาน สมุเชษถ้าปรหารปฏิปัสสธิประหารและนิสรณประหารแต่ท่านกล่าวว่าตัวตันหานี้ถ้าภาพถ้าเป็นอดีตจรงจะเป็นสมุทรถ้าเป็นปัจจุบันเป็นเป็นทุกข์สัตว์ด้วยคือธรรมะอย่างเดียวเนี่ยนะถามว่าตันหาก็เป็นอุปาทานอาคารไหมก็เป็นเมื่อเป็นอุปาทานอาคารตันหาก็เป็น ทุกัตษะแต่ถ้าแสดงในลักษณะเขาเนี่ยเป็นเหตุสําคัญมากของขันที่เหลือเขาก็เป็นสมุทัยสัตว์ถ้าเขาเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยนะขณะที่เขาเกิดขึ้นก็เป็นทุกษะนั่นแหละแต่เขาเป็นปัจจัยแห่งวิบากและการมาชรุปต่อไปข้างหน้าเป็นสมุทัยสัตว์แต่ว่าถ้าหากว่าไม่ทะเจริญปริญญาสในอุปาทานขันห้าให้บริบูรณ์ก็ไม่สา ม, มารถที่จะละตันหาได้เป็นสมุทเฉท คำว่าตันหาที่เป็นสรรมุรไทยเป็นที่ททนําเกิดนี่นะหมายความว่าถ้าเกิดให้ผลในประวัติการถือว่าเป็นธรรมุรคือตันหาเนี่ยเขาเป็นรูปแบบว่าเขาเป็นอุปนิสัยให้กรรมให้ผลเขาเป็นในลักษณะนั้นน ะ, อ, ะอย่างยกตัวอย่างนะว่าทุกทั้งหลายแหลส่วนใหญ่จะยกไปที่ปฏิสนธิใช่ไหมปฏิสนธิขนาดนั้นไม่มีกิเลสอะไรสักอย่างเลยปฏิสนธิอันนั้นเนี่ยนะแต่ว่าปฏิสนธิอันนั้นเนี่ยเพราะตันหาและอวิชชาที่ยังละไม่ได้ฉุดเข้าไป กรรมเนี่ยเป็นตัวให้เกิดนะนะกรรมเนี่ย ท, ที่ที่อุปมาเหมือนกับกรรมนี่เหมือนพ่ออวิชชาตันหาอุบาทานเหมือนกับแม่เนี่ยนะก็สามารถให้อย่างลงในพบนั้นนนั้นได้เพราะน่นตันหาที่เราเพลิดเพลินในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยก็ดูใกล้เนี่ยไม่น่าจะมีโทษนะสนุกดีออกแต่ว่าไกลๆเนี่ยนะความติดใจในสีอันนี้สมมติว่าติดใจในสีเนี่ย ตันหานี้ชักให้มาอะไรชักอะไรให้รู้ไหมตหาที่ยินไอ้ตันหาที่ยินดีในสีฉุดจากู่ให้มีนะพอเราเพลินในเสียงยินดีในเสียงก็คือตันหาเนี่ยเป็นตัวฉุดให้มีหูถ้ายินดีในเกลืน่นตันหาก็ฉุดให้มีจมูกยินดีในรสไอ้ตันหาตัวนั้ น, นทำให้กรรมให้วิบากเป็นลิ้นอ่ะให้เป็นชิวหาภาษาทา ถ้ายินดีในโพธิภะตัณหานั้นทำให้กรรมเนี่ยให้ผลเป็นเป็นกายเห็นไหมถ้ายินดีในธรรมะก็ทำให้มีมีใจในะเพราะฉะนั้นตัวตัณหานเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นตัวทำเกิดโดยเป็นเกิดตรงๆแต่เขาเป็นอุปนิสยัยแห่งการเกิดขึ้นของวิบากและกรรมมาชรูปเหล่านี้เขาเป็นเหมือนแม่เนไะห เขาไปให้สมมติว่าเราเวลาให้ทานไปเนี่ยให้ทานก็ไม่ได้ยินดีอะไรใช่ไหมดอกไม้เนี่ยให้ไปทำบุญไปแล้วแต่ว่าเพราะไอ้จิตที่ยินดีในดอกไม้หรือไปยินดีในการเห็นเป็นต้นอ่ะไปดึงบุญที่ทําบุญด้วยดอกไม้เนี่ยไปให้ผลเป็นตาะไปดึงบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้ผลเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเนี่ยถ้าสุขตินะเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยตันหาเนี่ยเป็นอุปนิสัยของของวิบากและกรรมชรูป คือตัวเขาเองไม่ได้ไปทำให้ไปเกิดงเจินพรท่านตัวที่ทำให้เกิดจริงๆคือ<ำ>เจตนากรระแต่ตันหาเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้